มาลูกหมาผมหอมมาหลอดทองพอสาบันี้ให้ลูกขึ้นไปอยู่ทังหอทั้งห้องคุณเดอ้อขันหลอดทองพอแล้วพอสิไป ล, ละละลูกลาผมหอมมาลูกหมาสาถูกผมหอมทิหลอดทองพอเด้อบนันิหนึ่งส ผมมหอมอยู่ดีมแ้ฟังเอ้ยผมหอมรอดท่องสร้างลาพ อ, อยางขึ้นเมื อ, องฮงสิหายเข็นหายเคาะโซกสี่ีภายสอยเจียตใจผมหอมหน่อยบิดาหนีบอคือเกา่าอยู่ผู้เดียวมีแต่เศร้าอยากร่มหน้ามแม่นาทีโอกาสผู้นี่ฝ่าเปลี่ยนแปลงสีผู้ฟังเอ้ยนั่งจึงล่หนาทีหลวงแม่ผมหอมหน่อย มหานที่ใกล้นางผมหอมเน่าอยู่คันผู้ฟังอยากหูให้ตามเรื่องต่อนนทานตอนนี้ผมหอมนอยมาลอยล่องจะวังใจนางเพินไฟพอ่อคนสีเข่าดอกหวมแล เห็นฟูงกาแลแห้งสัตว์ปีกปักสีสาคูนีน้รับผู้ไผมันเถใจนางแวไปเลื่อยสิเอกายดอกน้อนเปล่วนั่งอยากได้คูสซ้อนไผเดโนอนสีดวนมา ผมหอมเอ้ยมองเห็นฝูงนกหน่อยมีคูไผ่มั่นสันใดนอตโตกูจังอยู่เดียวนอนเพอนั่งตีเขียนสารหน่อยผอบร้อยลองเสียงเบิงกนาเอาผมหอมเสนนีไปหาแท่ดอกคูค้องสาทูเดอร์ไผสิเป็นคูนองให้ตนพีมาเห็นในแม้ผมท่องร้อยสิอยู่ในวังนม้มซาธู ว่าแล้วผมหอมที่เขียนสารไ่ผพอบท่องร้อยน้มไปสะกอนแล้ ว, ว จากขมหอมหน้อยสินอนคอยดอกหนึ่งอคูอยู่ปราสาทใหญ่กุ้งพญ่าสร้างดอกป่าภัยอยู่กับรรมาศาสไม่สัตบาน้อเขาขีด สาธุเด้วยไปเป็นผัวอีนองไห้มองเห็นอยู่ในทาผ้าอบทองผู้ข่าสานองนั่นอยู่ในผมหอมเส้นหนึ่งได้นองสอดใสนอนในสา คู่นางนอมาพอนางบรรยายคำขอสารสีเขียนสายพระอบทงจงใดนางให้แม่นทรงมาไผเป็นผัวผู้ขาแต่ศาสตร์กอนได้มาพบแน่เด้อ พี่เห็นผาอบทองสิลองมาตามน้ำขั้นหากสายใดพ่อให้ถือมาหาอ้นสิย้อมให้อยู่ซอนบอเอาซัมแมนคาดองไพ่ขาดเป็นคู่นองให้ห ล, ลอยลังนัไปหาคนเสียหูเสียตา บอซาโนคาด่วนสี่คนพร้อมหรืออ้วนดำขาวนองบอวัวสิสองตาบอดเบื้องสิเอาซอนว่าแต่คนที่อยู่นั่งขึ้นตนอยู่ในบอนนักเขียนสาเห็นพระอบอย่าล้อนาะ ให้ดวนมาหานองมีทั้งเกษาเส้นไผเห็นให้ถือเลนสิเอาแขนสอดส้วนส่วนอ้เข้าบอนอ น, นไผขาดเป็นคู่สนได้เข้าบอนนอนนอ น, น, อนดอนสว่านังขมว ลูกพญาหน า, านอสารเออสารเออโอ้นี่สารนั่งผมหอมหรือนี่เส้นผมมากพร้อมจดหมายใส่ในพ้าอบลอยน้า ม, มหาเนื้อคูเห้านี่หรือสิจะเป็นเนื้อคูของนาง เอ๊ะจริงแล้วเขาเป็นคนเห็นพระโอษท้องรอยนามมากโผผมหอมอยู่ใสผมหอมผมหอมอยู่ใสผมหอมอ้าวพระองค์เป็นยังพระองค์อ่านสารในพระโอษท้องร่อยนามมาเดี๋ยวนี้คันเป็นลายต่างนาะขอน่อยผมมียังกะมสมมชชิหอมกะดอกกะดีอาเถอะผมยังกะสร้างแมนบอกไกอเอาน้ํามวกสาคือกันนั่นแหละกระเเฮ้ากุศวาสะ ไก่กูสงสัยว่าผมนี่มันที่เป็นผมแทะใี้ผมปลอมนั่นสิละ่ะกูย่านเป็นผมดำๆเหลี่ยมเห่มงอๆ่อออ น, ะนะกูย่านเป็นผมแน่วไหมวาไก่ว่ า, วาดำดำเหลื่มเหียม ง, งอง่ะจากมันกับบหอมละวม้มันเป็นจังไหนเดี๋ยวนี้มันออกขึ้นล้วเป็ <laughs> โอ้ยาสานือสาร สารคือจดหมายหน่อยนางร้อยมาพี่ได้อ่านเอละนางมาวัดนี้ต่ำในสรงพี่สะทานจนลืมมานบ่อยากเมือออยากกินเอื่อมเห็นผู้ขียอันเละนางโอ้โอโอโอโอ อ้อยน้องโอ้ยโอ้ยออยโอยลันน้ำมาวัดนี้พอเมื่อพู้ที่ลาเท้าเริงข้าวรักในสานพี่แล้วดวงวิญญาณมันหลุดจากเลนไปเดือหาน้อง ผ้าอบท้องอันนี้สานสีเดิ้ลเขียนใส่กับพมหอมหนึ่งสินนางนินในพี่ไว้พี่ก็อยู่วะไรพ่อเปิดอ่านตลอดูสานจนอุทานเดิ้ลเสียงลงอยากแลนลุงไปในนามบ่อยากคืนเมื่อกเหุนสานบัดพอกูแล้ว